ทรงบัญญัติสิกขาบทพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าทรงตำหนิว่าภิกษุทั้งหลายขณนที่พวกเธอจึงพากันกล่าวอวดอุตริมนุสธรรมของกันและกันให้พวกกระหัตฟังเพราะเห็นแก่ปากแก่ท้องเล่าภิกษุทั้งหลายการกระทําอย่างนี้ไม่ได้ทําคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้